ข่าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตะบะข้าพเจ้าเกิดแล้วภายใต้สเวตชัติแห่งฮาสตินาปุระนครแ้นปัญจารนี้วันเดียวกับที่ข้าพเจ้าลืมตาดูโลกนั่นเองมีการชุมนุมพลทั้งสี่เหล่าทัพคือทัพช้างทัพมา้าทัพรถและทัพผลเดินเท้าเป็นการซ้อมใหญ่ประจำปีเป็นความภาคภูมิอย่างยิ่งของนายทหารที่ได้แสดงตน เพพาะพระพักพระมหากษัตริย์ในวันเช่นนี้ด้วยการถือเอาเรื่องนี้เป็นนิมิตรพระราชบิดาและพระประยุร ญ, ญาติชั้นผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าจึงขนานนามข้าพเจ้าว่าจะตัวรงขผล ท่านคงเคยศึกษาวิชาทหารมาแล้วในวิชาทหารได้บอกไว้ว่าการเตรียมกําลังรบให้พร้อมเป็นการป้องกันสงครามฟังดูไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นความจริงทั้งนี้เพราะฝ่ายรุกรานจะคอยจ้องดูกําลังของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เสมอเมื่อใดฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอฝ่ายรุกรานจะเริ่มรุกรานทันที เหมือนเชื้อโรคคอยโอกาสเบียดเบียนทำลายผู้มีร่างกายอ่อนแอในทํานองเดียวกันกล่าวในทางธรรมข้าพเจ้าพอจะทราบอยู่บ้างว่าผู้ที่มีกําลังใจอ่อนแอย่อมเป็นเหยื่อของกิเลสได้ง่ายแพทย์ผู้ฉลาดจะพยายามกระตุ้นเตือนให้มวลชนสร้างกําลังต้านทานในตัวให้สูงอยู่เสมอเพื่อป้องกันการรุกรานของโรค ศาสดาผู้ฉลาดก็พยายามกระตุ้นเราศาสนิกชนให้ฝึกพลังจิตให้สูงไว้เพื่อเป็นทำนกกั้นกระแสกิเลสมิให้รั่วไหลเข้าสู่จิตโดยง่ายหลักสุขลักษณะหรืออนามัยก็เป็นเรื่องเดียวกันนี่เองเมื่อเหลือกำลังป้องกันจึงถึงขั้นเดียวยาแก้ไขสงครามเป็นของคู่กับโลกตราบใดที่มนุษย์ยังมีความอยากได ทะเยอทะยานในเกียรติที่จอมปลอมอยากเป็นใหญ่ในกองกระดูกและเลือดเนือ้อแสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นแก้ปัญหาโดยการใช้กำลังสงครามก็คงมีอยู่ร่ำไปแปลจริงๆนะท่านคนที่เป็นโจรรักเล็กขโมยน้อยร่นสะดมส่วนบุคคลเขาถือกันว่าเป็นคนเลวคนร้ายทั้งๆที่บางทีเขาต้องลักต้องขโมย เพราะไม่มีอะไรจะกินแท้แต่ผู้ที่ปล้นคนทั้งเมืองกลับได้รับเกียรติยศอันสูงส่งเป็นเวรบบรุษผู้ที่โกงคนอื่นเพียงคนสองคนจะถูกพิภากษาตัดสินจำคุกหรือลงโทษให้สมควรแก่ความผิดแต่ผู้ที่โกงคนทั้งเมืองได้กลับไม่มีใครกล้าทำอะไรข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตบะในเรื่องนี้ท่านมีความเห็นอย่างไร หรือศาสดาของท่านได้เคยกล่าวไว้อย่างไรบ้างราชกุ ม, มารพระอานนร์กล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบปกติเรื่องสงครามเป็นเรื่องคู่กับโลกตามที่ท่านกล่าวมานั้นข้าพเจ้าไม่ขัดขานแต่มันก็เป็นเวลาหลายปีจึงจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งแต่สงครามที่เกิดขึ้นประจำและยืดเยื้อที่สุดคือสงครามชีวิต ทุกคนเดินไปบนถนนแห่งสงครามนี้อยู่ตลอดเวลาดุงจิตนี้เป็นสมรภูมิให้ธรรมะและอธรรมเข้าทําการชิงชัยกันอยู่มิได้ว่างเว้นเมื่อใดกองทัพอธรรมมีกําลังมากกองทัพธรรมก็ล่าถอยอธรรมก็เข้ายึดครอง จ, จิตใจเมื่อใดกองทัพธรรมมีกําลังรุกรานให้อาธรรมล่าถอยไปธรรมก็เข้ายึดครอง สมัยใดอธรรมเข้ายึดครองสมัยนั้นย่อมมีแต่ความมืดมัวและวุ่นวายสมัยใดธรรมะเข้ายึดครองสมัยนั้นย่อมมีแต่ความสงบและแจ่มใส ราชกุ ม, มารสำหรับเรื่องแพ้และชนะในสงครามนั้นพระาศาสดาของข้าพเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรให้ยืดเยื้อผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้ละการแพ้และการชนะได้แล้วย่อมอยู่อย่างสงบสุขราชกุ ม, มารไม่มีผู้ชนะในสงครามใดๆเลยที่จะประเสริฐไปกว่าผู้ชนะตนเอง พระศาสดาของข้าพเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ชนะตนเองได้ชื่อว่าเป็นยอดขุนพลในสงครามเมื่อชนะตนได้แล้วสงครามที่ยืดเยื้อก็สิ้นสุดลง ชีวิตในปฐมวัยของข้าพเจ้าเจ้าชายจตุรงคพลทรงเล่าต่อไปเป็นชีวิตที่เหมือนเดินอยู่ในสวนดอกไม้ได้รับการทนุถนอมประคับประคองอย่างดียิ่งข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในวงล้อมแห่งความสุขความสะดวกสบายอย่างที่ราชกุมารผู้ถือกำเนิดภายใต้สเวตชฉัดจะพึงได้รับข้าพเจ้ามีเครื่องแต่งกายซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงาม มีผ้าโพกซึ่งทำจากแคว้นกาสีสิ่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าชอบมากคือปิ่นปักเกษาเป็นเครื่องประดับที่ใครๆมองดูด้วยความนิยมชมชื่นข้าพเจ้ามีปิ่นปักผมหลายแบบหลายชนิดและทาด้วยทองคทาทั้งนั้นและก็ปิ่นปักผมนี่เองเป็นสาเหตุอันหนึ่งให้ข้าพเจ้าพอใจํำนักอยู่ณที่นี้ในหาสตินนาปุระนครของข้าพเจ้า มีช่างทองอยู่ตระกูลหนึ่งได้ทำทองมาหลายชั่วอายุคนเขาชำนาญมากพระประยุรยาาของข้าพเจ้าเมื่อต้องการทำทองเป็นเครื่องประดับก็ทำที่นี่แม้ข้าพเจ้าเองก็เหมือนกันมหาดเล็กคนสนิทของข้าพเจ้าไปร้านช่างทองกลับมาเขาจะนำเอาความงามแห่งทิดดาช่างทองติดปากมาด้วยเสมอจนบางครั้งข้าพเจ้าเบื่อหูไม่อยากฟัง แต่เขาเป็นคนรับใช้ดีทํากิจทุกอย่างเพื่อข้าพเจ้าคุณสมบัติของผู้รับใช้ที่ดีสี่ประการมีอยู่พร้อมในบุคคลผู้นี้คือตื่นก่อนนอนทีหลังและคอยฟังว่าจะหาให้ทําอะไรพอใจประพฤติสิ่งที่ดีงามคนรับใช้ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติอย่างนี้แม้นายก็ต้องเกรงใจข้าพเจ้ามิได้ปรงใจเชื่อว่า ทิดาช่างทองจะงามอย่างที่มหาเล็กกล่าวถึงขพเจ้าดูมินแววตาของมหาเล็กสตรีซึ่งนับเนื่องในพระราชวงศ์ก็มีมากหลายธิดาแห่งเสนาบดีอมหา ร, ราชบริพานก็มีไม่น้อยล้วนแต่สวยงามอยู่ในวัยที่พึงงามอยู่ในวัยที่พึงชมแต่ขพเจ้าก็มิได้สนใจกับสตรีคนใดเลยขพเจ้าแม้จะเป็นราชกุมารก็เหมือนเด็กหนุ่มธรรมดาทั่วไป คืออยากพบเห็นสิ่งที่เล่าลือกันว่าสวยงามดังนั้นวันหนึ่งข้าพเจ้าจึงปลอมตัวออกไปกับมหาเล็กไปที่บ้านช่างทองนอกจากอยากดูธิดาช่างทองให้เห็นกับตาตนเองเพื่อมหาเล็กจะได้ไม่พูดใส่หูต่ตอไปอีกแล้วสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากดูมากกว่าคือปินปักผมอันใหม่ซึ่งสั่งทําพิเศษว่าเขาทํากันไปถึงไหนแล้ว บ้านช่างทองมีรั้วรอบขอบชิดเป็นบ้านสองชั้นบริเวณบ้านสะอาดเรียบร้อยมีเครื่องประดับตกแต่งพอ ง, งามตาทุกครั้งที่มหาเล็กของข้าพเจ้าไปเขาจะต้อนรับที่ห้องรับแขกและนำน้ำมาให้ดื่มวันนั้นก็คงเป็นเช่นเดียวกันและเป็นเรื่องบังเอิญโดยแท้หญิงรับใช้ไปตลาดยังไม่กลับทิดาช่างทองจึงนำน้ำมาเองพอนางเดินเข้ามาเท่านั้น ท่านเอ๋ยก็ไปเจ้าถึงกับตรึงพึงเพลิดมหาดเล็กทําสัญญาณตามที่นัดหมายกันไว้เป็นเชิงบอกให้รู้ว่านี่คือธิดาช่างทองคนสวยละ่ะนางเป็นคนสวยจริงๆสวยอย่างที่สตรีในวังของข้าพเจ้าเทียบไม่ได้เลยเสมือนนางที่เก็บเอาความงามของสตรีมากหลายมารวมอยู่ที่เธอเพียงคนเดียวรูปร่างของเธอไม่สูงเกินไม่ต่ําเกิน ไม่ขาวเกินและไม่ดำเกินมีผมดำเป็นเงางามเป็นคลื่นน้อยๆแวดวงใบหน้าอันผุดผาดเปล่งปลั่ ง, งเหมือนมีรัศมีประดุดดวงจันทร์โผล่จากกลีบเมฆคิ้วของเธอดกดำและโกงามเรีมฝีปากแดงเรื่อสดใสดูสะอาดฟันเรียบสนิทแวววาวรุ่งเรืองเมื่อเธอเปิดปากพูดทำให้ใจผ่องใสลืมทุก เสียงไพเราะกังวานหวานข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินเสียงนกกระเวกเคยได้ยินเขาชมกันว่าไพเราะยิ่งนะักถ้าเสียงของมันไพเราะเพียงครึ่งหนึ่งของเสียงเธอผู้นี้ข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าไพเราะจริงลำแขนอ่อนช้อยเหมือนงวงช้างเมื่อเยืงกลายอาการของเธอเหมือนเนื้อสาวเมื่อเธอมองอย่างละอายก็เหมือนเนื้อทรายที่ตื่นไพร ครื่งแต่งกายของเธองามโช่อดช่วงปลิวสะบัดดังสายฟ้าแลบในอากาศเมื่อเธอย่างเข้ามาในห้องกลิ่นหอมอบพวนตามเข้ามาประดุดเธอนําเอาป่าซึ่งมีดอกไม้บานในฤดูร้อนตามเข้ามาด้วยมองดูนิ้วของเธอเมื่อวางภาชนะน้ําลงข้าพเจ้าต้องซาบซ่านใจเพราะนิ้วของเธอเรียวงามวิจิตและสีชมพูอ่อน ข้าพเจ้าไม่ได้สนใจกับภาชนะน้ำเลยความสนใจทั้งหมดไปรวมกันอยู่ที่ร่างที่ดาช่างทองผู้เชิดฉาย ขอโทษด้วยที่ปล่อยให้ท่านนั่งอยู่นานไปหน่อยคำแรกที่นางพูดยิ้งละไมหน้าระรื่นมองเห็นลักยิมบุ๋มที่พวงแก้มทั้งสองพระราชกคุมันเจ้าของปิ่นปักพระเกสาส่งพระสํารานดีหรือพระองค์จะส่งต้องการเร็วไหมนางพูดกับมหาเล็กของข้าพเจ้าข้าพเจ้านั่งตัวแข็งเหมือนรูปศิลาขอบใจแทนพระราชาุมาร มหาดเล็กกล่าวตอบพระองค์ทรงพระสําราญดีปินปักพระเกสาไม่ทรงรีบร้อนนักขอให้ท่านและบิดาของท่านทําตามสบายขอแต่ให้ประนีตที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ขอแนะนําให้รู้จักกับเพื่อนของข้าพเจ้าสิก่อนแล้วมหาดเล็กก็หันหน้ามาทางข้าพเจ้าพร้อมด้วยพูดว่านี่คือสุรนันทะเพื่อนของข้าพเจ้า บางทีนะี่ยโอกาสต่อไปข้าพเจ้าติดธุระมาไม่ได้เพื่อนคนนี้คงจะมาแทนมหาดเล็กพูดแล้วยิ้มอย่างชอบใจนางพนมมือไหวข้าพเจ้าเกือบลืมไหว้ตอบเพราะมัวแต่มองอย่างเพลิดพเพลินข้าพเจ้าสนทนากับนางไม่สู้จะสนิทนักเพราะรู้สึกละอายใจตนเองที่มองนางอย่างลืมตัวถึงกระนั้นก็พอเป็นแนวทางสําหรับในวันหน้าได้ นางลุกไปเอาปิ่นปักผมซึ่งทําไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วมาให้ดูปิ่นปักผมเป็นที่สนใจของขพเจ้าเป็นที่สุดแล้วขพเจ้าบอกท่านไว้แล้วว่าขพเจ้าชอบสั่งให้ทําปิ่นปักผมแบบแปลกๆแต่ความสนใจในปิ่นปักผมทั้งหมดรวมกันก็ยังไม่ถึงครึ่งแห่งความสนใจที่ขปเจ้ามีต่อนางงามผู้ทําปิ่นคนนั้นท่านทําปิ่นปักผมได้สวยงาม พระราชกุมารคงพอพระทยัยข้าพเจ้าพูดเมื่อพลิกปิ่นดูอยู่ครู่หนึ่งนางยิ้มอย่างเอียงอายแต่มันมีความหมายบาดลึกลงไปในหัวใจของข้าพเจ้า ความรักเมื่อแรกพบมีอยู่จริงข้าพเจ้าก็รักนางแล้วเมื่อแรกเห็นจะเป็นการเร็วเกินไปไหมท่านที่จะกล่าวดังนี้ถ้าความรักทำให้คนกระวนกระวายบัดนี้ข้าพเจ้าก็กระวนกระวายแล้วถ้าความรักทำให้คนซึมเศร้าข้าพเจ้าก็ซึมเศร้าแล้วถ้าความรักทำให้คนลืมอะไรอะไรง่ายๆนอกจากอย่างเดียวที่เขาไม่ลืม คือดวงหน้าและกริยาภาทีของคนที่รักบัตรนี้ข้าพเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะปฏิเสธว่าข้าพเจ้ามิได้รักนางได้ชะไห น, นดวงตาอันแจ่มแววของเธอได้สลักรอยรักไว้ในดวงใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้ากลับดูดความอาลัยอาวร์เป็นที่ยิ่งพร้อมด้วยภาพความงามของธิดาช่างทองติดตาไปด้วยคืนนั้น ขพเจ้านอนตื่นตาอยู่ตลอดเวลากระซับกระสายกระวนกระวายด้วยแรงรักเข้ารัดตึงเพียงพบครั้งแรกเท่านั้นขพเจ้าก็ตกเป็นเหยื่อของอาน์เทพแล้วอย่างยากที่จะถอนท่านคงอยากทราบชื่อของนางบ้างกระมังนางชื่อวิโมลมานผู้มีดวงใจไร้มนต์ถิ่นนางช่างสมชื่อเสียจริงๆจะหาสิ่งที่ควรตำหนิไม่ได้เลย นามนี้วิมลมานในความรู้สึกของข้าพเจ้าช่างเป็นชื่อที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นที่ตั้งแห่งความบันเทิงจิตยิ่งกว่าภาษากวีและดนตรีที่ไพเราะทั้งหมดในโลกนี้รวมกัน ข้าพเจ้าคำนึงถึงคำพูดของนางที่ถามว่าพระราชกุมารเจ้าของปิ่นปักพระเกษาทรงพระสําราญดีอยู่หรือแล้วให้รู้สึกภูมิใจเสียวซ่านและระทึกใจเสียนิกรายใครบ้างจะไม่ภาคภูมิเมื่อหญิงงามถึงปานนั้นถามถึงตนและถามต่อหน้าเจ้าของชื่อโดยที่ผู้ถามมิรู้จักตัวข้าพเจ้านอนคำนึงถึงเธอจนอรุณ์จวนจะเบิกฟ้า แสงเงินเริ่มฉายฉาบทาบตึกสีขาวอันเป็นที่พำนักของข้าพเจ้าธรรมชาติยังคงนิทราสนิทแต่ข้าพเจ้าเป็นผู้ตื่นตื่นอยู่ตลอดลาตรีเปิดหน้าต่างมองออกไปภายนอกเห็นมลิและพุดธสอนยืนต้นสงบนิ่งเรียงรายดอกสีขาวโพลนของมันต้องกระแสลมอ่อนเมื่ออรุณรุ่งแล้วอ่อนไหวน้อย เหมือนต้อนรับการจุมพิษจากแสงทองกลิ่นของมันกระจายกระจรตามกระแสลมพิ้ลเข้ากระทบคาระนปัสาทหอมดวนใจให้เพอ้อฝันฝันถึงดรุณีน้อยผู้มีนามวิม์มานความงามแห่งสีพุทซ้อนและกลิ่นอันหอมหวานของมะลิจะพอเทียบได้กับความงามและความอ่อนหวานแห่งใบหน้านางได้หรือทาไมนะท่าน ธรรมชาติจึงสร้างคนบางคนมาให้งามเลืดหลอยฟ้าแต่สร้างบางคนมาให้ขี้ลิ้วขี้เรจนมองหาความงามในเรือนร่างไม่ได้เลยแม้สักแห่งเดียวท่านพอจะทราบข้อลี้ลับเรื่องนี้อยู่บ้างหรือราชกุมารพระ อ, อนุนตอบถ้าถือตามพระมติแห่งพระศาสดาของข้าพเจ้าพระองค์ตรัสว่าความมีผิวพรรณดีความมีเสียงไพเราะ ความมีสันฐานรูปร่างสมส่วนความเป็นคนมีรูปงามมองดูไม่ตืดไม่น่าเบื่อหน่ายเหล่านี้ได้มาด้วยบุญทั้งสิ้นถ้าอย่างนั้นพระราชกมุมารมีแววพระเนตรวาวด้วยปิติทิดาช่างทองซึ่งข้าพเจ้าหลงรักคงเป็นผู้สั่งสมบุญมาม า, มากมิใช่น้อยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นพระพุทธอนุชารับพระราชกมุมารทรงเล่าต่อไป รวมความว่าข้าพเจ้ารักนางความรักซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกข้าพเจ้าจะทำประการใดดีเหมือนคนไม่เคยเดินป่าไม่รู้จักทิศทางข้าพเจ้าควรจะบอกนางตามเป็นจริงว่าสุรนันทะนั้นที่แท้คือพระราชกุ ม, มารเจ้าของปินปักผมหรือควรจะปกปิดไว้ก่อนแสดงตนเป็นสุรนันทะสหายของมหาเล็กต่อไป ข้าพเจ้าตรองเรื่องนี้อยู่เป็นเวลานานสำหรับคนที่อยู่ในห่วงรักเรื่องที่เกี่ยวกับคนรักย่อมเป็นปัญหาใหญ่เสมอแต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็ตกหงใจว่าควรจะแสดงตนเป็นสุรนันทะไปก่อนจะดีกว่าและดูเหมือนจะสนุกดีด้วยมหาดเล็กคนนั้นเห็นอาการของข้าพเจ้าแล้วก็ยิ้มอยู่ในหน้าแต่ไม่กล้าพูดอะไรเป็นเชิงเย้าหยอก เพราะเขารู้จักฐานะของเขาดีหลังจากนั้นแล้วเขาระเจ้าไปหาเธออีกเสมอไปในนามมหาเล็กของเจ้าชายในระยะนั้นเจ้าชายรับสั่งทรรมปินปักพระเกษาอันแล้วอันเล่ามิจบสิ้นลงได้ และทุกครั้งที่ข้าพเจ้าไปหานางข้าพเจ้ามักจะมีของเล็กๆน้อยๆติดมือไปด้วยเสมอทั้งนี้เพราะโบราณย่อมว่าไปหาขุนศารตุลาการหนึ่งไปหาครูอาจารย์หนึ่งไปหามารดาหรือบิดาของสตรีที่ตนใคร่หนึ่งไม่ควรไปมือเปล่าดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีของไปฝากนางบ้าง สำหรับของฝากนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคนในฐานะอย่างข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ระมัดระวังมิให้ของนั้นดีเกินไปเพื่อป้องกันมิให้นางสงสัยในฐานะมหาดเล็กของข้าพเจ้ารู้สึกนางและมารดาของนางรับด้วยความยินดีเมื่อทราบว่าข้าพเจ้าให้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งและก็เป็นธรรมดาของผู้มีน้ำใจงามเมื่อได้รับเสมอๆก็ย่อมให้ตอบแทนบ้าง นางเคยให้ผ้าเช็ดหน้าฉลุลายอย่างงดงามประนีตแก่ข้าพเจ้าเมื่อยามหลงอะไรอะไรก็ดีไปหมดข้าพเจ้าจุมพิตผ้าเช็ดหน้าอย่างถนอมพร้อมด้วยน้อมขนึงถึงเจ้าของผู้งามเฉิดเย็นวันหนึ่งขณะข้าพเจ้าไปหานางอย่างเคยข้าพเจ้าเปลยขึ้นว่าข้าพเจ้าได้ทราบถึงความงามความพึงพิศแห่งสวน และสะโบโครณีหลังเคหาแห่งช่างทองแต่ไม่เคยทัศนาด้วยตนเองเลยทำไฉไหนข้าพเจ้าจะโชคดีได้เห็นสวนและสะนั้นนางผู้เมรังเกียรติที่จะคบข้าพเจ้าตอบว่าเป็นไรไปเมื่อข้าพเจ้าปรารถนาเช่นนั้นนางก็จะพาไปชม เราทั้งสองหมายถึงเธอและขา้าพเจ้าเวลานี้ดูเหมือนจะเข้าใจในความลี้ลับในดวงจิตของกันและกันแล้วเธอได้นำขา้าพเจ้าเข้าสู่สวนซึ่งอบอวลด้วยกลนดอกไม้นานาพันธุ์และประดับตกแต่งอย่างสวยงามมีสะบกรณีที่มีน้ำใสบัวบานสะพรัง่งชูดอกสล้างดูงามตาหน้าชมเราหยุดนั่งที่มาหินอ่อนตัวหนึ่ง ดูมแมลงผู้บินร่อนชวัดชเวียนเวียนชมเกสร อ, อุบลด้วยความเพลินใจสายลมรำเพยแผวขอบอกกลิ่นน้ำและกลิ่นมาลีคระเ้าด้วยกลิ่นสบายนางหอมหวนยวนจิตให้คหนนึงถึงความสุขสารานในยามนั้นตะวันร้อนยอ่อแสงสีเมฆม่วงสลับฟ้าและเป็นรูปต่างๆน่าทัศนา ประกอบด้วยมีนางงามเชิดอยู่เคียงข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนฝันไปและไม่คิดว่าใครจะมีความสุขความภาคภูมิยิ่งไปกว่าข้าพเจ้าความจริงความสุขนั้นอยู่ที่คุณภาพไม่ใช่ปริมาณเมื่อได้สิ่งที่ต้องการมนุษย์ก็มีความสุขได้ทัดเทียมกันสวนและสระนี้พอจะดูได้ไหมวิมล ม, มาถามขึ้น ชายตามองข้าพเจ้าเพียงเล็กน้อยสวยมากทีเดียวข้าพเจ้าตอบแต่ทั้งความงามของสระและพันไม้ทุกชนิดรวมกันก็ยังสวยไม่เท่าวิมนมานผู้มีดวงใจไร้มนต์ถิ่ น, นข้าพเจ้าไม่ทราบว่าคำนี้ออกมาได้อย่างไร ทิดาช่างทองขยับกายเล็กน้อยแต่มีรอยยิ้มที่อ่อนหวานผดขึ้นที่ริมฝีปากมันช่วยปลอบให้ข้าพเจ้าหายระทึกใจคนชาววังเขาพูดกันอย่างนี้หรือนางพูดพร้อมด้วยใช้นิ้วอันเรียวงามปลีดผ้า พ, พันคอด้วยความขวอายข้าพเจ้าอยู่ในวังมาช้านานไม่เคยพูดคำนี้กับใครเลยท่านเป็นคนแรกที่ได้ยินคานี้ ขพเจ้าตอบนางด้วยความจริงใจทำไมผู้ชายจึงชอบชมแต่ความงามของผู้หญิงไม่เห็นชมอย่างอื่นเลยผู้หญิงเกิดมางามอย่างเดียวก็เห็นจะพอแล้วกระมังนางพูดอย่างก้มหน้าดูพื้นดินที่ปกคลุมด้วยต้นหญ้าสีงามอย่างท่านนี้ขพเจ้าใจกล้าขึ้นมาบ้างแล้วมิเพียงแต่รูปงามนามเพราะอย่างเดียวเท่านั้น แต่ใจยังบริสุทธิ์สะอาดและกริยาน่ารักอีกด้วยถ้าความสุขของท่านอยู่ที่ได้ชมข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยินดีให้ท่านชมอยู่ตลอดไปข้าพเจ้าเคยทราบจากบิดาว่าการหยิบยื่นความสุขให้ผู้อื่นความสุขนั้นย่อมสะท้อนกลับมาหาผู้ให้การให้ทุกข์แก่ผู้อื่นก็เช่นกันธิดาช่างทองพูดค่อนข้างตะกุกตะกัก แต่ยังมีน้ำเสียงไพเราะใบหน้าของนางแดงระเรื่อทำให้ดูงามสดใสยิ่งขึ้นข้าพเจ้ายังมิทันได้ตอบประการใดเสียงนกชนิดหนึ่งร้องดังขึ้นจากพุ่มไม้หลังม้าหินอ่อนที่เรานั่งนางตกใจเผลอตัวขยับกายเข้าเบียดชิดข้าพเจ้าพอดีลมกระโชกมาอย่างแรง ชายผ้าพันคอผืนน้อยที่นางใช้ปลิวมาพันคอข้าพเจ้าเกษาของนางฟู่กระจายด้วยแรงลมมากระทบใบหน้าและคานปัะสาทเมื่อนางได้สติรู้สึกตัวแล้วจึงถอยห่างออกไปแต่ดูยังมีอาการตกใจอยู่เล็กน้อยข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนต้องละอองฝนในคิมหันฤดูนกตัวนี้คงเป็นตัวผู้ข้าพเจ้าเปลยขึ้นทำไมท่านรู้ มันช่างโหดร้ายสีจริงทําให้ตกใจเล่นได้นางตอบแล้วยิ้มเหมือนขันตัวเองมันคงสงสารข้าพเจ้าที่จิตใจกระวนกระวายอยากนั่งใกล้ชิดท่านมาเป็นเวลานานแล้วมันคงรู้ถึงความรู้สึกของข้าพเจ้าจึงช่วยเหลือแม้จะเพียงเล็กน้อยและช่วยระยะเวลาอันสั้นก็ยังดีเหมือนฟ้าแลบเพียงแวบเดียวก็พอมองเห็นทางนางลุกขึ้น พร้อมด้วยพูดว่าข้าพเจ้าไม่อยากจะเชื่อท่านแล้วพูดหวานเกินไปเดี๋ยวพอกลับไปถึงวังก็ลืมนึกถึงทิดาช่างทองผู้ชายชาววังก็มักจะพูดไพเราะแต่ต่อหน้า